เล่าในสมัยพุทธกาลนะว่าครั้งที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เขาขิจกูดนะกรุงราชครืไม่ไกลเนะี่ยก็มีนางทาสีหรือนางทาตคนหนึ่งนะชื่อปุณณนะปุณณะทาสีแย่ยากจนนะรับจา้างสารพัดนะรวมทั้งตำข้าวด้วยคืนนั้นแกก็ตำข้าว ตำข้าวทั้งคืนเลยแล้วคืนนั้นเนี่ยเธอก็มองกไปที่เขาคี่จกูดก็เห็นแสงไฟว่าว่าวบำแวมตอนนั้นก็ดึกแล้วนะนามปุณธาสีก็สงสัยว่าเอ๊เพราะคุณเจ้าดึกแล้วทำไมยังไม่หลับไม่นอนหรือว่ามีพระป่วยหรือว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรขึ้นมาเราเนี่ยนะอยู่ดึกดื่นๆเเพราะว่าต้องรับจ้างเขานะ เจ้านายสั่งนะให้ตําข้าวให้เสร็จก็ต้องทำํำดึกแค่ไหนก็ต้อง อ, อดหลับอดนอนจนกว่าจะเสร็จนี่แต่พระคุณเจ้านะทําไมไม่หลับไม่นอนกันเลยนะก็ลำพึงแบบนี้ในใจจนรุ่งเช้านะก็จะกลับบ้านก่อนกลับนี่ก็เอาข้าวกับลำเนี่ยมาทําเป็นจีนะข้าวจี่เพื่อที่จะไปกินที่บ้าน เพราะว่ากลางทางก็ไปพบพระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตสเสด็จบิณฑบาตกับพระอานนท์ก็เลยมีเจตนาอยากจะทําบุญแต่ก็มีแค่นี้แหละนะก็มีแค่เข้าจีไม่กี่ปั้นแต่ก็อยากจะทําบุญเพราะมีศรัทธาก็เลยใส่บาตรถวายพระพุทธเจ้าไปทั้งหมดที่มีเลยพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เห็นทําอย่างไรก็ขอให้ ข้าพระองค์เห็นทำอย่างนั้นด้วยพระเจ้าก็ตัดอนุโมทนานะว่าก็ขอให้สำเร็จตามนั้นแต่ว่านางปุณณาสีก็ยังมีความกังวลว่าข้าออเพียงน้อยนิดนะที่ไม่มีราคาไม่ใช่เป็นอาหารประณีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะฉันไหมเพราะว่าในเมืองในกรุงราชเครื่องนี่มีพวกเศรษฐีถวายอาหารที่ประณีมากมาย พระพุทธเจ้าก็ทรงอย่างทราบถึงความคิดของนางปุณธาสีก็เลยตัดให้ผ้านน์เนี่ยเอาอาัศนะมาวางเอาผ้านิสิต น, นเนี่ยก็คือผ้าสนานนี่แหละมาวางแล้วก็ฉันตรงนั้นเลยนะฉันให้นางเห็นเลยนะวัวนาเนี่ยแม้กระทั่งข้าวจีเพียงแค่ปั้นสองปั้นพระองค์ก็ยินดีจะฉันนะนางปุณธาสีก็ปลื้มใจนะเห็นว่าพระพเจ้าก็ไม่ได้รังเกียจอาหาร หรือว่าบิณฑบาต ท, ที่นางถวายเลยแม้จะเป็นแค่ของที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรก็แค่เข้าเข้าเปล่าๆนี่แหละพระองค์ก็ฉันให้เห็นเลยฉันเสร็จพระองค์ก็สนทนากับนางพุณทาเสีว่าเมื่อคือนเนี่ยเธอดูหมิ่นอะไระพระสงค์นะนางพุณทาเสีก็ตกใจว่าไอ้พระเจ้าได้ทราบความคิดของนางด้วยหรือ ก็บอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นเลยนะเพียงแต่สงสัยว่าดึกแล้วทําไมว่าคุณเจ้าไม่นอนนะมีอันตรายหรือเปล่าจะป่วยหรือโดนงูกัดไหมส่วนข้าพระองค์เนี่ยนะที่ต้องทํางานดึกเดินก็เพราะนะความยากจนนะมีคนสั่งให้เจ้านายสั่งก็ต้องทําพราะเจ้าก็รับทราบนะที่จริงพระองค์ก็รู้เลยอยู่แล้วนะเพียงแต่อยากจะเริ่มต้นการสนทนากนับนางปุณธาศี แล้วก็แสดงธรรมนะสั้นๆ น, นะว่าเนี่ยผู้ใดที่ตื่นอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนหมั่นฝึกฝนจิตนะผู้นั้นน่หมั่นฝึกฝนจิตแล้วก็จิตใจน้อมไปสู่พระนิพพาน <c oughs> อาสวะกิเลส ข, ของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือยอ่อมหายไป <c oughs> นางก็พิจารณาตามนะแล้วก็จิตก็เกิดปัญญาขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลย เป็นู้ที่บรลลูปธรรมประสัดบันนะได้ได้ง่ายมากนะอันนี้ก็เพราะอันนี้สองของทานที่ถวายนะทานของนางเนี่ยก็เป็นทานที่ไม่ได้มีราคาอะไรเลยแต่ว่าให้ด้วยศรัทธาจริงๆเมื่อให้แล้วจิตใจก็อิ่มเอิบปิตินะโดยเพราะเมื่อเห็นพระเจ้าได้ฉันอาหารของนางด้วยความเต็มใจนะ อันนี้สงของข้าวจีนะเพียงแค่ก้อนเดียวสองก้อนนี้ก็มียนที่สงมากนะเรียกว่าถ้าผู้ภาษารเราคือมีบุญมากบุญนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของที่ถวายนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่ถวายด้วยนะจะถวายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าวางใจไม่เป็นบุญก็ได้น้อยนะนะการที่จะถวายเนี่ยการที่ได้บุญเนี่ยนะ ปการแรกคือว่าเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมนะเป็นของที่ตั้งใจถวายตอนที่ให้ก็ให้ด้วยจิตผ่องใสให้หรือถวายเสรก็ใจเบิกบานอันนี้ก็จะได้บุญมากมันไม่ได้ยขึ้นอยู่ที่จำนวนหรือราคาของของที่ถวายแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จานวนเงินงเงินนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้มาโดยความไม่บริสุทธินะ หรือได้มาด้วยการเบียดบังเบียดเบียนก็ได้บุญน้อยนะพวกเราคงได้ยินนะชื่อหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตท่านเป็นพระสมัรยราชการที่สามและการที่สแล้วก็ตนราชการที่ห้ามีคราวหนึ่งก็ท่านได้รับนิมนต์จากเศรษฐีคนนึงนะชื่อใหญ่แฟงนะใหญ่แฟงนี่แกรวยไม่ได้งไงแกรวยได้จากการที่แก่เปิดซ่องนะ สมัยก่อนซ่องนี่ถูกกฎหมายนะไม่มีการห้ามนะนางผู้นีเป็นแม่เล้านั่นเองนะรวยจากการที่เป็นแม่เล้าเราก็ได้เงินมามากมายเป็นกําไรที่ได้จากาผู้หญิงที่ขายตัวได้เงินมามากก็อยากจะทาบุญก็เลยสร้างวัดวัดนั้นชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงนะที่กรุงเทพเนี่ยแนะถว แถวพระหุรัตแถวเนี่ยสำเพ็งเนี่ยประมาณนั่นแหละนะจะมีวัดวันหนึ่งชื่อวั ด, ว ด, ว ด, วดใหม่หญ่แฟงก็นิมนต์หลวงพ่อโตไปไปเทศนะในในงานบุญนี้นะถวายวัดแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อโตพราะหลวงพ่อโตนี่มีชื่อเป็นสมเด็จพุทธาจารย์หลวงพ่อโตท่านก็เทศไม่ไม่มากนะแล้วท่านก็เทศถึงเรื่องอั น, นิสง์ของบุญแล้วก็พูดถึงอันิสง์ของใหญ่แฟงว่า ยายแฟงเนี่ยนะสร้างวัดนะมันได้บุญก็จริงนะแต่ว่าบุญของยายแฟงเนี่ยมันมันพร่องนะมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าได้มาจากน้าพักน้ําแหลงของคณิกา น, ะนางคณิกาคือว่าผู้หญิงโสเพณีาหากว่าบุญเนี่ยมันครบบาทนะของนางเนี่ยก็ของยายแฟงก้นได้ไม่ครบบาทนะได้ไม่ครบบาทได้แค่สลึงเฟืองเดียว สรึงเฟืองเดียวก็คือค่าตัวของโสเพนีนั่นเองนะได้บุญเหมือนกันนะแต่ได้บุญน้อยถึงแม้ว่าจะสร้างวัดนะสร้างวัดนี่ก็ใช้เงินมากทีเดียวนะแต่ว่าได้บุญน้อยเพราะว่าได้มาจากน้ำพน้ำแรงของของอผู้หญิงขายตัววัดนั่นต่อมาก็เชื่อวัดคณิ ก, กาผลนะไม่ใช่ชื่อวัดใหม่ชื่อแรนคือวัดใหม่ยายแฟงนะ แต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยคณิกาผลคือเป็นผลของนางคณิกาก็กลายเป็นว่าคณิกาเนี่ยที่ได้บุญนะคณิกาคือจิงโซพเพนีได้บุญนะได้บุญมากนะส่วนนางยายแฟงนี่ก็ได้บุญมันก็แต่ได้น้อยนะเพราะว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ 100% เปซ็นะเป็นเงินที่ได้มาจากการเบียดปังผู้หญิงน ะ, ะหลวงมาตัวท่านไม่ได้รังเกียจนะผู้หญิงโซเพนีเนี่ย พอท่านก็เห็นว่าเออเขากา็เป็นนับพนนัาแหลงของเขาแต่ว่าเขาถูกเบ็ดบังโดยแม่เราอันนี้ก็เปรียบเทียบสองเรื่องนะว่าคนนึงเนี่ยก็มีแค่ข้าวข้าวจีแค่ปั้นสองปั้นนะแต่ว่าบุญทีทานบุญที่เกิดจากการถวายนี่อันนี้ส่งมากส่วนยายแฟงนี่ถวายเงินเยอะเลยนะสร้างวัดทั้งวัดเลยแต่ว่าบุญที่ได้น้อยได้แค่สลึงเฟืองเดียวนะ อันนี้ก็ไปพิจารณานะว่าอาบุญนี่มันเกิดจากอะไรนะไม่ได้ที่จํานวนเงินอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่การวางใจอย่างถูกต้องนะทีนี้เราไปเข้าใจอบุญเนี่ยต้องจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนเงินนะจะถวายผ้าถ้าเป็นผ้าที่ราคาแพงที่จะได้บุญมากอันนี้มันก็ยังไม่แน่เสมอไปนะอยู่ที่ใจด้วยใจนี่มีจิตผ่องใสไหมถวายแล้วใจเบิกบ้าหรือเปล่านะ งั้พวกเราก็รู้จักการทำบุญให้ทานอย่างถูกต้องนะมันถึงจะได้เกิดอันนี้สงฆ์มากแล้วก็เตรียมรับพร